และมีความหวังอยู่เสมอและทนต่อทุกอย่างความรักไม่มีวันสูรสิน้น n a ช i ่นเ n นเ r อร์เทน n t ภูมิใจเสนอละครชีวิตที่ให้สาระความหวังและกำลังใจรักอภัย พี่ยิงล่ะทำมาถามข้าข้าจะไปรู้เหรอพี่เองไม่ใช่เหรอเออได้คล้องแขนกันไปไหนมาไหนกันอยู่เนี่แมาถามข้าข้าจะรู้เลยแต่พี่ยิงเอาบินโตไปให้พวกพี่ๆกินนินนะและ้วไงไอ้เย็นฮะพี่เองเอาบิงโตให้พวกข้ากินก็จริงแต่มันไม่ได้อยู่รอพวกข้ากินจนอิ่มดิวา่าอะ มันโตเป็นวัวเป็นค ว, วายแล้วมันไปไหนตอนไหนได้แล้วด้วยแล้วเอ็งถามหาไอ้ตุ๊ดน่ะทำไมฮะก็นี่มันบ่ายแล้วยังไม่เห็นพี่ยิ่งกลับมากินข้าวเที่ยงเลยนินนะอ๋อที่ถามหาพี่เอ็งเนี่ยเพราะว่าเอ็งเป็นห่วงกลัวไอ้ตุ๊มันจะหิวตายอย่างั้นสิก็เป็นห่วงนินนะเอีไอ้เย็นแล้วเอ็งน่ยเคยห่วงพวกข้าไหมวะหรือว่าเอ็งไม่เคยเห็นพวกข้าเลยเป็นพี่เลยฮะใครว่าผมไม่เคยคิดอย่างนั้นสักหน่อย พวกพี่ต <rad West ıyorlar> <to> ังหากที่ไม่เคยมองผมกับพี่ยิ่งเป็นน้องเลยแกล้งแกล้งพี่ยิ่งตลอดเวลาให้เย็นเอ็งพูดแบบนี้ก็สวยเสอยากลองดีพวกข้าใช้เปล่าฮะลาวนะใครจะอยากมีปัญหากับพวกพี่พี่ล่ะมีปัญหากับพวกพี่สวยตลอดชาลูกก็ดีแล้วสายหัวไปไกลๆเลยไปเอ็งไปซะก่อนที่ข้าจะหมดความอดทนฟาดด้วยน้าแข้งนี่ไปไม่ ผมไม่ไปไหนทั้งนั้นน hey, ่ะเฮ้เยไอเวนนี่วอร์สแล้วมั้ยอ๋อรออย่ามลนกรรมมัเลยเยี่ยมอย่าไปทํามันเลยนะไอเย็นมันยังเล็กเดี๋ยวกระดูกมันจะเล็กซะก่อนปล่อยให้มันเท่าเอ่อเท่าควายซะก่อนแล้วค่อย ห, หาเรื่องกระทืบมันมยังไม่สายเลยใ ช, ใช่ใช่เจงของพี่ใหญ่ร้อยมันโตกว่านี้ก่อนเถอะนะแล้วก็จะการกับมันก็ยังทันอ่ะไปไปไปไปไ ป, ไ ป, ไปพ ων, หูพ้ตาเลยเกลียกาลูกตาเว้ยบอกมานะพี่เยี่ยมมาพี่ยิ่งไปไว้ที่ไหนอ่ะเฮ้ยนี่พูด ฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องหรือไงวะก็พี่ยิ่งไม่เคยเทะเลทลายไปไหนนี่นาก็ทําไมเล่ามันจะไปไหนนั่งก็เรื่องของมันใช่จะไปไหนก็ช่ า, างมันเถอะไม่อาจให้ตายก็ดีละเอออาจอะไรล่ะ <c oughs> เอ็งอยรู้เลยว่าอาจอะไรก็บอกมาสิโอ้ยเดี๋ยวเอ็งน่นแหละจะโดนไปไปไปไปไ ป, ไปพนพตัวเองเล็กนิดเดียวเสือกไปเออไปนี่อ้ย็ดเอ็งตามเย่บขึ้นเป็นบ้าน ก็รู้ว่าพี่เยี่ยมจะแกล้งผมผมขึ้นไปบนบ้านพวกพี่แล้วร้องให้ใครช่วยก็ไม่มีใครได้ยินล็อกเออมันรู้บ้านหลังเนี่ยมันไม่ใช่บ้านผมสักน้อยมันควโดนแกล้งใช่แน่นอนบ้านหลังเนี่ยใหญ่กว่าบ้านเองอยู่แล้วเราก็จําใส่สมองไว้ให้ดีนะไอเย็นบ้านหลังใหญ่เนี่ยเป็นบ้านเมียหลวงส่วนบ้านเองนะ่ะมันหลังเล็กกว่ามันเป็นบ้านเมียน้อยเว้ยไม่พูดด้วยแล้วผมไปตามพี่ยิ่งดีกว่าเดี๋ยวเดวไอเย็นไอเย็น นี่เอ็งจะตามพี่เอ็งที่ไหนวะตามไปเรื่อยเดี๋ยวก็เจอเอ็งแหละเอออาเย็นจะรีบไปไหนอ่ะไม่ขึ้นบ้านก่อนเหรอฮะไมกลโดนแกล้งบ้างได้ไปแล้วใช่เฮ้ยกลับมาก่อนทุกคนพี่ยิ่งอยู่ไหนอ่ะพี่ยิ่ง สั่งให้เงินเท่าไหร่ห้าพันบาทไงก็จะไว้คนเดียวเอเะดี๋ยวจะแบ่งให้ก็ออกมาแบ่งกันตอนนี้เลยด้โอ้ยเยี่ยมเอ็นี่ไม่ไว้ใจพี่เลยไงวะไม่ใช่อย่างนั้นแล้วไงอะไม่ใช่อย่างนั้นแล้วไงความยุติธรรมไงแบ่งเดี๋ยวนี้เลยเด้เผื่อใครจะเอาไปทําอะไรจะได้ไปไม่ต้องมานั่งคิดลกสมองเพราะเอ็งว่าอย่งนั้นาหมฮะเจริงด้วยเจงอะไรผีย่ำพูดถูก พี่ใหญ่ในคนจะแบ่งเงินให้พวกเราตอนนี้เลยอ๋อเมื่อกี้น่ะมึงนะอ๋อนี่พวกเอกมอค่าในแง่ลบเลยนะเนี่ยเหล่ป่าปล่านะพี่นะกเราคจะได้ตอนนี้นะใช่แล้วพี่ใหญ่จะเก็บไว้คนเดียวทาไมใช่เออแบ่งก็ได้เว้ยดีนัลงสิจะได้แบ่งพวกเองแล้ว่งเลยหพันข้าววะสี่เองพันก็แบ่งกันเองนาอยศได้ไงนี่พวกเออืมตอนนี้เราพี่ใหญ่ ห้ารอยออกแรงนิดหน่อยเอาไปห้าร้อยพอส่วนเองไอ้ยมอ่ะอันนี้ไปให้มันห้าร้อยเท่านั้นเหรอห้าร้อยก็เหลือเฟือแล้วโอ้ยนี่ราคาละพี่ใหญ่จะให้ค่าห้าร้อยเหมือนกันแล้วไงค่าเบลืออ๋อของเองเอาแั่เอาอานี้เอาไปหนึ่งพันก็แล้วกันเอตเลยเอาไปโอ้ยขวหน่อยได้ถึงพันเกินพันหนึ่งในหอมเหลือเกินอืม ไม่เคยได้ย uh, ังไงวะไอเยี่ยมเองก็ข้ามัแบ่งคนละครึ่งไว้เหลือเท่าไหร่ให้อยศไกยมเป็นห0ึ่งพยงอีก 1,000 เป็น 2,000 ัหรืออีก3เองแบ่งกับเองคนละครึ่งก็คนละพันห้เงิน 1,500 นี่มันหอมจริงๆนี่ก็เองแล้วเนี่ยข้าจะใช้ให้หนำใจเลยโวイข้าก็เหมือนกันด้ย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 o to, a n k h e o u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 ถ้าหากกลัวไม่ยอมจะลืม ส่งทางให้เห็นจะเห็นถ้าเพียงแค่ลืมตาวันผ่านไปค่ำคืนคือคลางกลับมาถ้ายังหลับตาไม่กล้ามผเิญ ลืมตาจะตื่นขึ้นมาแล้วพบกันแสงที่กำลังหมดดับดวงตะวันที่ลาลับวันที่จางหาย If y a f r y o u ถึงวันที่เลยผ่านไม่ต้องบอกฉันว่าเคยมีใครค น, นไหนไงถ้าเพื่อฉันพลาดบางงานฉันถามเธอไปเธอก็ไม่ต้องตอบฉันเลยและฉันคนนี้ก็มีที่พลาด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 ฉันพร้อมจะอยู่ฉันพร้อมจะตายเพื่อรักคำเดียวไม่ว่าเธอจะเคยเป็นใครจะผ่านอะไรมาขอจงอย่าเป็นกันวลม่คือคนของเธอไม่ว่ามันจะเกิด t i m ever o n e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 พี่ฝนครับพี่ฝนอ้าวเย็นนั่นเองข้ามันในบ้านก่อนสิเยน็นครับพี่ตามสบายนะเดี๋ยวพี่ไปขนขนมมาให้กินจะ้ะขนมอะไรครับพี่ฝนขนมชั้นพ่อทําขนมชั้นเมื่อเช้านี้เองยังเหลืออีกเยอะเลยรอเดี๋ยวนะครับจะดื่มอะไรดีอ่ะเยน็นน้ําฝนก็ได้ครับนี่จะ้ะ อันนี้ขนมชั้นด้วยลองชิมดูซิว่าถูกปากหรือเปล่าอืออือเป็นไงออโหอร่อยมากเลยครับพี่ฝนอย่างเงี้ยต้องขอบคุณคุณพ่อพี่แล้วล่ะเพราะว่าพ่อพี่เนี่ยทำขนมชั้นอร่อยมากเลยทำเมื่ อ, อไรเมื่อไหร่ก็ไม่เคยผิดหวังสักครั้งเลยนะจ๊ะอือทำจากแป้งอะไรครับเนี่ยแป้เข้าเจ้าจ้ะพ่อใช้ข้าวสารเก่าแช่น้ำ แล้วก็โม่จนกลายเป็นแป้งแล้วค่อยผสมกับกะทิอีกทีเป็นยังไงบ้างล่ะแล้วก็มีสีต่างๆเยอะแย ะ, ยะเลยนะแล้วมีสีอะไรมั่งครับนี่สีเขียวที่เห็นเนี้ยได้จากน้ำใบเตยแล้วสีม่วงนี่ล่ะก็ได้มาจากสีของดอกอัญชันไงจ้ะสีด้านี่ล่ะครับก็ได้จากดอกกุหลาบจ้ะเป็นไงหอมไหมอืมหอมมากๆเลยครับอร่อยมากเลยอืมอร่อยเหรอ ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวจะห่อใบตองให้กลับไปให้ลุงกับป้ากินด้วยนะแล้วก็ฝากพี่ยิ่งด้วยเอ๊ะพี่ยิ่งไม่ได้มาหาพี่ฝนเหรอวันนี้นั่นเหรอครับเปล่านี่พี่ยิ่งไม่ได้อยู่ที่บ้านหรือไงไม่อยู่ตั้งแต่เช้าแล้วเอาปิ่นโตไปให้พวกพี่ๆในสวนแล้วก็หายไปเลยทําไมถึงไม่ไปดูที่สวนล่ะไปมาแล้วครับไม่เห็นมีใครเลยพวกพี่ๆก็พากันกลับบ้านแล้วครับผมนึกว่าพี่ยิ่งมาหาพี่ฝนนั้นเนี่ย ไม่ได้มานะวันนี้พี่ยิ่งไปไหนของเขานะรู้ไหมพี่ฝนนอกจากบ้านพี่ฝนแล้วยังมีที่ไหนอีกไหมที่พี่ยิ่งชอบไปนะ่ะไม่รู้เหมือนกันนะ่ะที่รู้ก็คือที่บ้านฝนนี่แหละเอ๊พี่ยิ่งหายไปไหนของเขานะชักเป็นห่วงแล้วนั่นเนี่ยไม่ต้องห่วงหรอกพี่ยิ่งอาจจะไปหาเพื่อนร่วมชั้นเรียนก็ได้ขอให้เป็นอย่างนั้นเถอะ ผมกลัวพี่ยิ่งโดนพวกพี่ๆแกล้งน่ะไม่หรอกมั้งไม่แน่นะพี่ฝนพวกพี่ๆเกลียดพี่ยิ่งยังกับอะไรดีอาจจะทําร้ายพี่ยิ่งแล้วก็เอาไปทิ้งไว้ที่ไหนก็ได้ไม่หรอกนาอย่าคิดมากสิเย็นอะกินขนมต่อเถอะเดี๋ยวพี่ยิ่งก็คงจะกลับบ้านเองแล้วล่ะจ้ะก็ขอให้เป็นอย่างนั้นเถอะครับพระเจ้าทรงคุ้มครองพี่ยิ่งด้วยเถอะพระเจ้าทรงช่วยพี่ยิ่งปลอดภัยด้วยเถอะ amen เพื่อนละมั้งเพื่อนคนไหนละแม่ก็นําฝนยังไงล่ะผมไปบ้านพี่น้ำฝนมาแล้วครับแล้วยังไงล่ะอยู่ที่นั่นหรือเปล่าเหรไม่อยู่ครับวันนี้ยังไม่ได้ไปหาพี่ฝนเลยครับถ้าอย่างนั้นก็คงจะไปหาเพื่อนคนอื่นๆละมัง้งเพื่อนเรียนชั้นเดียวกันอยู่ในหมู่บ้านเราไม่น้อยไม่ใช่หรอครับแม่อ้อพี่ฝนฝากขนมชั้นมาให้พ่อกับแม่แล้วก็พี่ยิ่งกินด้วยครับแล้วได้ขอบคุณพี่ฝนเขาหรือเปล่าล่ะขอบคุณแล้วครับแม่ อร่อยมากเลยแม่แม่ทำให้ผมกินมั่งสิไหนหยิบให้แม่กินชิ้นหนึ่งสิอ่านี่ครับแม่ <c oughs> เป็นยังไงครับแม่อร่อยไหมอร่อยจริงๆนะเนี่ยเขาใช้แป้งเข้าเจ้าทำนะเนี่ยแม่รู้ด้วยเหรอฮะอ้าวก็รู้สิเนื้อแป้งมันต่างจากที่ตลาดเขาขายที่ตลาดเขาขายนั่นน่ะเขามีแป้งมันผสมด้วยให้ขนมมันวาวแล้วก็เหนียวเหนียวยุ่นยุน ไม่ขาดง่ายอย่างแป้งข้าวเจ้าเนี่ยแบบเนี้ยแล้วแม่ชอบแบบไหนอ่ะแบบนี้อร่อยกว่าคนสมัยก่อนน่ะเขาก็ทํากินกันแบบนี้แหละที่ผสมแป้งมันน่ะก็คงจะมีอีกสูตรนึงนั่นแหละนะแต่ชาวบ้านอย่างเราเราไม่คุ้นเคยหรอกจ้ะเดี๋ยวเหลือเผื่อพี่ยิ่งด้วยนะแม่อืมแล้วก็แบ่งให้พี่ๆที่บ้านโน้นด้วยยังไงเขาก็เป็นพี่เราเหมือนกันนะเย็นกินกันคนละนิดคนละหน่อยนะ่ะแม่ เอาไว้ทุกเส้นทางแล้ววางอาวุธแล้วก็ลงจากรถแล้ยกมือขึ้นเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นเราจะไม่รับปรกันความปลอดภัยต่อชีวิตอย่ายิงนะครับผมยอมแล้วผมจะลงจากรถเดี๋ยวนี้ครับนะครับเกิดอะไรขึ้นครับเองอยู่หลังรถไม่ต้อขยับไปไหนหรอกนั่งรถอยู่นี้นก่อนน้ไอ้ยิงหลบอยู่นนี้นะครับนะยกมือขึ้นเดี๋ยวนี้ยกแล้วครับยกแล้วยกแล้วยกแล้วครับพวกนายไปคนหลังรถสิครับผู้กอง กองครับพบแล้วครับอาวุธสงครามครับผมมีอะไรจะแก้ตัวไหมในสันไม่มีครับผู้กองครับมีเด็กอยู่หลังรถด้วยครับผู้กองครับเด็กโปรจะจับเด็กคนนี้เลยครับแกไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลยแกเพิ่งมาทํางานวันนี้ผมว่าแหละครับเพื่ออนาคตของเด็กให้โอกาสแกเถะครับแกไม่มีใครญาติของแกมาฝากผมไว้ให้ช่วยงานผมแล้วแกก็ไม่มีที่ไปด้วยถ้ากรุณา ช่วยดูแลแกลด้วยนะครับผู้กองชื่ออะไรล่ะเราผมชื่อยิ่งศักดิ์ครับอยากไปอยู่กับฉันไหมหขอบพระคุณมากครับขอบคุณพระเจ้าที่ทรงคุ้มครองและทรงช่วยลูกอาเมน ได้รับข้อคิดอะไรบ้างจากละครที่จบไปนี้โปรดเขียนข้อคิดของท่านโดยทางไปรษณียบัตร ด, ด้วยจดหมายมาหาเราได้ที่ตูปนอสิบเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์ห้าหมทางเราจะจัดส่งหนังสือหรือซื้อยื่นไปให้แก่ท่านขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังละครวิทยุรักอภัยถ้าสามารถติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ในวันเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้สําหรับวันนี้สวัสดีครับ